สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อยากจะรู้นะนั่นคืออนาคตของตัวเองด้วยนี้เนี่ยผู้คนจึงมักจะไปหาหมอดูเพราะเชื่อว่าหมอดูเนี่ยสามารถจะทำนายทายทักอนาคตของตัวเองได้นอกจากหมอดูแล้วเนี่ยคนอีกกลุ่มนึงนะที่คนมักนิยมไปหาเพื่อให้ทำนายทายทักเกี่ยวกับอนาคตนะคือใครนะ พระนะพระโดยเฉพาะยิ่งบวชนานเป็นนะหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาเนี่ยท่าคนก็ยิ่งไปหานะเพราะเชื่อว่าท่านยังรู้อนาคตนะสามารถที่จะทํานายอนาคตได้ยิ่งเป็นพระกรรมฐานดีแล้วนี่โอ้คนก็ยิ่งอเนะชื่อว่าเนี่ยจะ อย่างรู้อนาคตนะนะของใครต่อใครได้สมัยที่หลวงพ่อชายมีชีวิตยอยู่เนี่ยโอ้มีโยมนี่ช้ามาให้หลวงพ่อนะทํานายทายทักอนาคตดูดวงบ้างนะนั่งทางไหนบ้างแต่หลวงพ่อเนี่ยเขาปฏิเสธนะจนกระทั่งมีโยมคนนึงเนี่ยนะเป็นโยมที่เรียก ว, ว่าอุปธรรมวัดมานาน แล้วก็ตอบถวายทานนะให้กับวัดอยู่เนืองๆยงนี้แกก็คอยรบเร้าหลวงพ่อให้ช่วยนะทํานายอนาคตให้หลวงพ่อท่านก็ปฏิเสธแต่ว่าโยงนี้แกก็ไม่ลดละ น, นะแกก็เท่ากนะับวิงวอนร้องขอยนั่นแหละจนกระทางวันนึงเนี่ยดูเหมือนหลวงพ่อนี่จะใจอ่อนนะทนลบเราไม่ได้ ก็เลยบอกเอามือมาซิจะให้หลวงพ่อดูลายมือสักหน่อยก็เลยดีใจเลยนะเพราะว่าหลวงพ่อไม่เคยทําอย่างนี้กับใครนะไม่เคยดูลายมือให้ใครเลยอันนี้เป็นคนแรกเลยนะดีใจมากตื่นเต้นยื่นมือให้หลวงพ่อเนี่ยนะดูลายมือหลวงพ่อเนี่ยก็ดูอย่างตั้งใจนะ เอานี้วๆลูกไล้ไปตามเส้นลายมือบนฝ่ามือของโยงคนนั้นเนี่ยท่านดูไปท่านก็บอกโอ้น่าสนใจนะโอ้แปลกดีนะโยงนั้นก็ยิ่งนะอยากรู้เข้าไปใหญ่พอท่านดูเสร็จนะท่านก็ปล่อยมือโยงนนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ย หลวงพ่อรู้อนาคตของโยมแล้วล่ะนะโอยโยมนั้นดีใจไงเป็นยังไงหรือครับหลวงพ่ออนาคตของโยมนี่น่าสนใจมากครับครับครับแล้วยังไงครับนะเขาบอกเนี่ยหลวงพ่อดูเนี่ยอนาคตไทยไม่เคยผิดไม่เคยพลาดเลยครับครับทราบแล้วครับตว่าตวามเป็นยังไงหรือครับ หลวง พ, พ่อก็เลยตอบว่าเนี่ยอ น, นาคตของโยมนี่นเหรอมันไม่แน่นอนนะสิ <c oughs> จบนะจริงไหมเราเชื่อว่าหลวงพ่อนี่ยถ่ายแม่นมากเรียกอย่างรู้อนาคตเลยไม่ใช่แค่ท่ายเลยเป็นการอย่างรู้อนาคตที่จริงอนาคตของพวกเราก็เหมือนกันนะมันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันไม่แน่นอนนี่หมายความว่ายังไงนะก็หมายความว่า มีขึ้นมีลงนะมีดีมีร้ายมีราบรื่นแล้วก็มีขุกคระบางทีอนาคตมันก็ตรงบางทีมันก็หักเลี้ยวนะอนาคตของทุกคนเนี่ยนะเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันยังหมายความว่าอนาคตของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเราวันนี้ตอนนี้เราเป็นอย่างไร อ, อนาคตมันก็จะเปลี่ยนแปลง แตกต่างไปจากที่เป็นอยู่ตอนนี้ตอนนี้มีสุขภาพดีมีกลังวังชาอนาคตก็อาจจ ะ, ะไม่มีเรื่องไม่มีแรงอ่ อ, อนเพลียนะหรือว่าเจ็บป่วยอตอนนี้พังพร้อมด้วยวัตถุด้วยเงินทองแต่วันหน้าก็อาจจะไร้อรอ วันนี้นะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะมีคนรักคร้อมล้อมแต่วันหน้าก็อาจจะอาจจะเหลือแค่ตัวคนเดียวก็ได้อันนี้แหละนะคืออนาคตของทุกคนอนะันนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรนะเมื่อเรารู้อนาคตไม่แน่นอนเราก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ไม่ประมาทเดี๋ยวพอ้าเกิดว่าวันนี้ยังดีมีสุขภาพแข็งแรงก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าถ้าเผลอเรอมันก็จะเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นหรือว่าเจอโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่คาดคิดเวลาจะไปไหนมาไหนก็ระมัดระวัง ถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราไปนี่มันปลอดภัยสะดวกครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ครั้งนี้มันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้อาจจะเกิดอุปัติเหตุทางอาจจะขาดน้ามันจะท่วมต้องไม่ประมาทขับรถด้วยความตั้งใจมีสติไม่ใช่ว่าเส้นทางนี้ฉันผ่านมาเป็นสิบปีแล้วไม่มีอะไรเลย อดีตมันไม่มีอะไรแต่วันนี้มันอาจจะมีก็ได้นะงั้นเมื่อเรารู้ว่าอนาคตไม่แน่นอนต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่ว่าทําอะไรก็ตามข่าวเดียวกันเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวและเตรียมใจเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะระวังยังไงมันก็จะเกิดผิดเกิดพลาดเกิดพลังขึ้นมาหรือเกิดสิ่งที่เราไม่คาดฝันเราก็ต้องอเตรียมตัวไว้ เพื่ออะไรเพื่อบันเทาเหตุร้ายเช่นเจ็บป่วยอ้าวเราก็อย่างน้อยมีเก็บเงินเก็บทองเอาไว้นะเราก็ใช้เงินนั้นช่วยในายการรักษาพยาบาลเตรียมตัวเนี้ยเอาเตรียมใจด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแต่เงินแต่ว่าไม่ได้เตรียมใจกลายเป็นว่าพอป่วยทีหนึง่งทุกทั้งกายทุกทั้งใจนะบางทีทุกใจยิ่งกว่าทุกกายสิกนะอันนี้เราเตรียมตัวเตรียมใจ แล้วขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเจอสุขก็ไม่เพลินในสุขเพราะเรารู้ว่าวันหน้ า, า จ, จะทุกข์ก็ได้ขณะเดยกันถ้าวันนี้ทุกข์ก็จะไปจมอยู่ในความทุกข์เพราะว่ามันอาจจะดีขึ้นก็ได้ให้ความไม่แน่นอนนี่มันไม่ได้หมายถึงแย่อย่างเดียวนะอาจจะหมายถึงดีก็ได้วันนี้แย่พรุ่งนี้ จ, จะดีวันนี้หม่นหมองพรุ่งนี้อาจจะสว่างสวายก็ได้เพราะ น, นั้นเนี่ย อย่าไปจมอยู่ในความทุกข์มากแล้ะขณะเดียวกันก็รู้จักปล่อยรู้จักวางด้วยเพราะอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนถ้ามันเที่ยงถ้ามันแน่นอนก็ยึดมั่นถือมั่นไปเถอะแต่เพราะมันไม่แน่นอนเพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักปล่อยวางก็ทุกข์คนเราเนี่ยนะแค่รู้ว่าอนาคตไม่แน่นอนนี่ก็พอแล้วล่ะอย่างอื่นนี่มันไม่สําคัญเท่าไหร่ละแค่รู้ว่าอนาคตไม่แน่นอนมันก็ทําให้เกิดการเตรียมตัวเตรียมใจได้เพราะฉะนั้นขันธ์นายของหลวงพ่อเนี่ย มันใช้ได้กับเราด้วยนะแม้ว่าเราจะไม่ให้ไม่ได้ไปให้หลวงพ่อดูลายมือให้แต่ว่าสิ่งที่ท่านพูดมานี่นี่มันเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักต้องเตือนใจเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็นะปฏิบัติให้ถูกนะอย่างที่ว่ามาไม่ประมาทร ะ, ระวังรู้จักเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะไม่เพลินในสุขไม่จมในทุกนะแล้วก็รู้จักปล่อยรู้จักวางบ้าง นะหรือว่ารู้จักไปรู้จักวางสม่ำเสมอมันก็จะทำให้เราสามารถที่จ ะ, ะเผชิญกับอนาคตได้นะด้วยใจที่ไม่ถูก